นาโมตัสสะภะคะวะโตอระระหะโตสมมาสมปตัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระระหะโตสมมาสมปตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปตัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคประหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธ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 เป็นสมาธิเทระวันนึกน้อมถึงบริกรรมภาวนาหรือกำหนดความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกเรามันเต็มไปด้วยภัยอันตรายเรายังจะมาง่วงเหงาหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่ได้ต้องตั้งใจใหม่ยาให้ความง่วงเหงาหงานอนมาทับถมจิต การหลับนอนถีนมิทะความง่วงเหาเหานอนเนวณนทางห้ากามฉันท์ความรักใคร่พอใจในกามอารมณ์ทั้งหลายพยาบาทความอิจฉาพยาบาทกันถีนมิทะคือความง่วงเหาเหานอนมันพวกเนวณนทางนั้น อุทจจักุกุจจะจิตฟุ้งซ่านคือว่าจิตไม่สงบจิตไม่หยดจิตไม่อยจิตไม่โล้กีแลกของตัวเองเลยมาหลงอยู่แค่ความสุขสงบสบายสบายในการหลับการนอนอยู่เอาตัวนอนลงไปเรียกว่านอนแม้เราจะนั่ง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 ที่เรานั่งภาวนาเป็นง่วงเหงาเหงานอนได้นะคือว่าเรียนสมาธิจากลิงล้งลิ้ยงใบกกที่มันมาหากินใบไม้ตามข้างทำพาปองเราเนะี่ยนั่นแหละมันนั่งสมาธิลิง้งเหงานอ น, อ, นอย่าไปเรียนอย่างนั้นเมื่อนั่งสมาธิแล้วท่านให้ยืนตัวให้เที่ยงตรง ว่าให้นั่งสมสอลงไปไม่ให้ก้มนักไม่ให้เนยนักเรียกว่าตั้งใจตั้งตัวคำว่าตั้งใจเนี่ยตั้งมดตัวถ้าใจมันยังหลงลืมไปง่วงเหาหานอนให้เตือนจิตของเราเวลานี้ให้ได้ว่านี่มันสมาธิวานอนว่านอนก็แปลว่าลิงลิงก็แปลว่าวอก วอกส2สองภาษาเหนือเขาวอกสามสิบสองเลีงนั่นเขาว่าวอกเขาบ่าว่าเลีงเมืองเหนือเขาว่าวอกมันวอกแวกถ้าใครเห็นเลียงจะรู้ได้เข้าใจไม่มีเวลาสงบจิตใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกันกับวานนอนคล้ายกันกับลีง คือมันวอกแวกวันไว้อยู่เสมอไม่ว่าเสียงอะไรดังตกเต็กปุกเปีกรุนแรงเบาก็ะต่างเย็ด น, นมันถึงวอกแวกไปล้ไปตามเสียงเสียงดีก็อยากฟังเสียงเขาดุด่าว่าไายป้ายสีให้ไม่ชอบโกรธเกียติขึ้นมานั่นแหละคือว่าเจ็ดไม่สงบตั้งมัน่นในสมาธิภาวานา แอ่นั่นถ้าจิตเราทุกคนผู้ใดก็าตามถ้ายังง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทางห้ากามฉันพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำขาญวิจิกิจฉาถ้าจิตยังมีสงสัยนั่นบางสงสัยนี่บางคือจิตออกนอกทางนั้นแหละเจ็ดขาดสติสัมปชัญญะ จิตไม่เมความะระลึกอยู่ในตัวอยู่ในใจเรานั่งสมาธิภาวานามันก็ได้แต่เพียงระเบียบระเบียบนั่งแต่จิตมันไม่เป็นสมาธิให้มันหลงบันลืมหลงลืมภาวานาขาดสติสตินั้นทันว่า ต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทางกายจะเคลื่อนไหวไปมาทำกิจกรรมการงานใดๆก็ต้องมีสติในสิ่งที่ตนทำคำว่าการงานทางกายกายถ้าเคลื่อนไหว เคลื่อนจากนั่งไปยืนเคลื่อนจากเดินไปเดินเคลื่อนจากเดินมานั่งเชื่อว่าการงานทางกายต้องมีสติคนที่ขาดสติและไม่ขาดสติจะรู้ได้เข้าใจในเวลาทำทําอะไรก็ตามต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันเป็นอย่างไร ทำงานจับมีดผ้าควานทำงานก็มักจะถูกแข่งถูกขาถูกตีนถูกเนื้ อ, อเดินไปก็ตำต่อต่ำไม่ทำอะไรมีแต่ผิดพลาดทั้งนั้นนี่คือว่าขาดสติอย่าไปคิดว่าเราเป็นนักภาวนายังไม่ใช่นักภาวนาที่ดี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 เราเลิอกอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเรานั่นแหละถ้าไม่เลิอกอย่างนั้นมีแต่ความผิดพลาดนั่งก็ง่วงเงาเหานอนถ้าไม่นั่งสมาธินั่งสมรดาก็ชอบเป็นคนเล่นคนคุยไม่สนใจในการเดินจงกรมไม่สนใจอยู่ในที่สงบระ ง, งับของตัวเอง มักจะไปขึ้นกุดนั่นลงกุดนี้ไปคยุยท่านั้นคยุยท่านี้ยิ่งใกล้จะออกพรรษาก็คยุยเรื่องไปเที่ยวไปเตรไปวิเวกภาวนาในป่าบ้างคิดในเรื่องศึกหาลาเพศบ้างเหล่านี้ล่วนแล้วแต่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์สมาธิทางนั้น ที่เราพูดก็ดีทำก็ดีมันเป็นไปเพื่อเรื่องภายนอกนั้นให้พากันคอยระวังทำอะไรให้มีสติถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำแล้วก็มีสติหรือไม่ถ้าไม่มีก็หัดให้มันมีขึ้นต้องเอาสติธรรมดานี้ก่อนให้ได้ เมื่อสติธรรมดานี่แหละยังไม่ได้มันจะไปได้สมาธิภาวนาที่ไหนคือจิตมันลอยอยู่ไม่มาสงบตั้งมัน่นไม่มาสงบในที่บริกรรมภาวนาพุโทโธนั้นมันลอยคำว่าลอยเลือดจิตมันเลื่อนที่อยู่ เราทุกคนคงได้พบได้เห็นว่าอสอพิษคืองูทั้งหลายไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่งูมีพิษไม่มีพิษมันไปทางไหนมันลอยไปกิริยาที่ลอยของงูคือจิตเรามันลอยเหมือนงูเรานั่งที่นี้ภาวนาที่นี้มันไม่อยู่ที่นี้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 ทีนี้เราจะมาจำกัดอย่างไรจะต้องจำกัดว่าพระพุทธ เ, ทเจ้าสอนสาวกทั้งหลายให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนสติให้เรานึกให้เราเจริญเอาให้ได้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 จะจัดว่าเป็นสมาธิภาวนาไม่ได้กามฉันพยาบาทถีนมิทธะอุทจักุกุจจะวิจิกิจฉายังมีอยู่ในใจปุถุชนคนลราตราบใดชื่อว่ายังไม่ตั้งใจภาวนาทางนั้นแหละยังไม่ตั้งใจยังไม่เอาจริง จะไปเอาเมื่อใดเวลาใดให้มันจริงลงไปนะถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่ภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่นึกไม่เจริญไม่วิวัตพัฒนาการตัวเองในเวลานี้ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็เข้าใจว่าหมดเวลาแล้วหาเวลาไม่ได้เวลาชั่วโมงนาทีมันหมดที่ไหน มันไม่หมดมันวนอยู่ในอาการอันเก่าให้เราแก้ไขตัวเองให้ใหม่ขึ้นมาอารมณ์เก่าๆ เ, เคยคิดเคยนึกเคยพูดเคยทำอะไรมาในสิ่งฟุ้งซ่านลาคาญทั้งหมดนั่นแหละถ้าจิตนี้มันขาดสติเมื่อใดเล่าพูดอะไรก็เรียก ว, ว่าไม่สมบูรณ์แบบเลื่อนลอยไปเรื่อย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 กายทําอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาพูดอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาเป็นอย่างไรจิตมันก็คิดลุ่มหลองมัวเมาอย่างคนเราทําพูดคิดนั่นแหละนั้นสติความระลึกได้โดถิท่านครูบาอาจารย์เจ้าทางหลายเวลาภาวนาท่านจึงให้ใช่อุบายย่ อ, ยอ อย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมมาเจ้านึกถึงพระสังฆาเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งใจนึกจริงๆจนเอาจิตใจของตนหายความง่วงเหงาหงานอนได้จิตมันจะสว่างสวัยขึ้นมา เรียก ว, ว่าจะประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ถ้าขั้นโลกโลกธรรมดานี่แหละก็เอาไม่อยู่เวลากีรเลรความโกรธมันเกิดขึ้นก็มาเห็นเวลามันโกรธมันกระลังงับไม่อยู่เพราะขาดสติความโลภมันเกิดขึ้นมันขาดสติ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 เมื่อได้ธาตุดินก้อนดินก้อนนี้มาแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้ดีขาดสติไม่ละเลกพิจารณากิเลสโลเลในใจนะมันก็โลเลละ่ะเพราะไม่ภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาเมื่อโลภผ่านตา ไม่ว่าลูกคนลูกสัตว์ลูกวัตถุเขาของอะไรต่อมิอะไรเจ้าโลภะจิตมันก็เกิดขึ้นเจ้าโมหะาอาวิชชาตัณหามันก็เกิดขึ้นคือมันมีอยู่แล้วกิเลสดิเลสดนั้นท่านว่าเป็นไฟท่านจัดว่าไฟความโกรธไฟความโลภไฟความหลง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 ดังนั้นให้ตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาอย่าให้ขาดสตินั่งก็ภาวนาอยู่ให้ได้มะระังเมภวิสตินึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าเรานั่งโยเราก็นั่งรอวันตายถ้าความตายมาถึงเข้าเรานั่งโยก็ตายได้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 นุ่งผ้าเหลืองผ้าเหลืองไผ่ก็ น, นุ่งได้ในล้านค่าของเจ็กของจีนเขาขายเสียด้วยผ้าเหลืองนะั้เยอะแยะไปไม่ใช่ผ้าเหลืองมันดีเจ็ดคนเราที่ละเว้นจากความชั่วต่างๆเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวมเสาว่าเว้นจากเดิมกินสุลาเมลัยเป็นต้น เราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นแหละท่านเรียกว่าคุณพระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมคําสอนพระธรรมวินยัยพระธรรมพระวินัยก็อยู่ที่ใจคุณพระอริยสงสาวกก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอยู่ที่ใจของเราใจนีเท่านจียงว่าให้ตั้งใจขึ้นมาเราเลิกขึ้นมา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 เจ็ดอันเก่านั่นแหละเมื่อมันหลงมันก็เป็นสังขารมารเป็นมารคือสังขารเป็นกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จิตนั่นแหละเห็นั้นกิเลสโลเลพระองค์สอนให้ละเราละได้หรื อ, อยังเราตั้งใจจะละมันหรื อ, อยัง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 ปฐมปะเทศสนาจนถึงปัจฉิมวาจาสุดท้ายดับขันเข้าสู่นารุภานพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นยังเข้มข้นอยู่แต่มันเป็นที่จิตใจของผู้ปฏิบัติสามกทั้งหลายไม่ตั้งใจไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริง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 โลกภายนอกจึงได้วุ่นวายเดือดร้อนเพราะมันขาดสติโลกภายในนักพจนักบวชผู้ปฏิบัติผู้ตั้งใจภาวนาหลับตามันก็ยังมีง่วงเหงาหานอนเรานี่แหละคือว่ามันยังไม่ได้เตรียมเลิกละต่อไปให้เราทุกคนเตรียมเลิกเต็มละมันเสีที อย่าปล่อยให้มันมาย่ำยี่หัวใจของเรามันเยยบย่ำ ม, มานานแล้วกิเลสความโกรธมันครอบกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อเนกชาตมาแล้วเรายังจะไปโกรธตามมันไปหรือยังจะถือว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่หรือยังมาเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นอำนาจ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 ส่วนใดไม่ดีท่านเรียกว่าบาปอย่าไปทำส่วนใดทำดีท่านว่าบุญให้ทำรักษาศีลภาวานาสิ่งนี้ต้องทำประกอบสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องละต้องเลิกต้องรู้ไว้ด้วยรู้ไว้ก่อนว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นบาป ลืมสติเป็นบาปขาดสติเป็นบาปมีสติเป็นบุญสติตัวเดียวนล่ละสำคัญถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเวลาปฏิบัติบูบชาภาวนามันมีอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีอยู่ทุกลมหายใจ เนาว่ามีเวลาทําความดีได้ทุกเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีเป็นเวลาทําความดีภาวนาได้ทั้งนั้นแต่นี่คนเรามันไม่มีความสนใจไม่มีความตั้งใจจึงปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจทําอะไรก็จะเอาแต่หน้า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 ตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆมรรคผลในพานมันจึงจะเกิดมีขึ้นเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติปล่อยปะละเลยมีแต่โพดมีแต่คุยกันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งมนนั่นแหละมันเป็นอวิชชา ทำด้วยอวิชชาความไม่รู้พูดด้วยอวิชชาความไม่รู้เวลาพูดคิดด้วยอวิชชาความไม่รู้คิดเลื่อยเปื่อยไปไม่คิดอยู่ในกายในจิตไม่คิดภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกว่า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 ใจิตใจไม่สงบระงับก็ไปนอนอนนั้นแหละตะขามันจะกัดทุกคนแหละเพราะคนเรานอนหลับนั่นเหมือนกับตายงูมาก็กัดได้เสือมาก็กัดกินได้ตะขามามันก็กัดได้นอนไม่ภาวนานอนไม่สวดมนนอนไม่เจริญวิรูปเก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 ไม่ใช่ว่าตะขาบกัดแล้วเราก็มาเจริญภายหลังหรือว่าตะขาบกัดมือแล้วก็มาเจริญวีรูประเคหิเมเมตั้งเป่ามันไม่ได้ล่ะมันเป็นผลละผลเจ็บละผลทุกข์มาถึงแล้วต้องทําไว้ก่อนะระมัดระวังไม่ก่อนจเจริญไว้นึกไวหวต้องหาเวลา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 เดินโยที่ไหนท่านก็ถือว่าเป็นเดินภาวนาเดินไปมาที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าการเดินไปนั้นเป็นเดินจมกลมภาวนาแม่ไปรถไปเรือไปไหนก็ตามก็ต้องภาวนาไปทุกอิริยาบถคือไม่ให้ใจเราว่างหลงไหลไป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 อย่างเดียวไม่ได้ทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกับภาวนาได้เห็นนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญโพุทธะพระองค์รู้ท่านว่ามไม่ว่าจะภาวนาบทใดข้อใดทำข้อไหนก็ตามถ้านึกได้จเจริญได้ทุกลมหายใจ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 ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละจจนีสัพิติโยวิวัชันตุสัพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจงวุธาปจายิโน ยัตตาโรธรรมมาวันติอายุวันโนสุขังภาลัง